สตรฤิโมจตาโรปาราติกาธรรมมาอุตเตสังอาภัชันเตโยปนภิกขุภิกขูนางศิฆาซาจีวะสมาปโนสิขังอปัญจฆายะดุเบยังอนาวิกตตาเมตุนางธรรมังปะมิเตเวยะอันตมัสติรัชาเนกาตายาปิปาราติโกโหติอาสังวาโท โยปนะพิกูกามาวะสรัญาวะอดินังเทยังสังฆาตังอาดิยียยะยะถ่ารูเปะอดินาดาเนราชาโนโจรังเหตวาเนยุงว่าบันธิยุงว่าปะมาเจยุงว่าโจโรติบาโลติมุนโลติเทโนติตตัทารูปังพิกูอะดินังอาดิยามาโนอะยังปีปาราติโกพ่อติอัตตังวาสสโยปนะพิกุสั้นิดจะมนุษย์สักพิกหังจีวิตาวโรเปยะสัทธาหะรังวะตระปริเยสัยยะมรณะมันมังว่าสั้งบันมัยยะมรณายาวาสมาเดเปียะ ทำโผปุริสากิณตุหิมินาปะปแก่นักดุจิวิเทนะมัตันเตจิพิทาสยติอิติกิตมโนจิตตังกะปะอเนกปริยาเยนะมรณะวันนางวาสังวันมัยยะมรณะยาวาสมาเดปียะยัมปีปาราจิโกโหติอสังวาโต จวปัาปิคอานาปิจานังอุตริมนุตทัมังตุปัจิกังอัลมารยญะนาตะนังเมุดจรียอิิจานามิอิติปัสสมิิตตปะเรนะสมะเยนะสมนุกาหิยัมโนวาสมนุกะหิยัมโนวาปโนวิสุธะเปโเอวังวเดียะจานะเมวังอบุโสจังจานามิอปสังสมิสุชังมุสาวิระบินติัญญตระอธิมาอะยมปิสาราติโกโหติอสังวา อุดิภาคโออายาตมันโตยะตาโรภาราติกาธรรมาเยสังติคู่อัญญะตรังวาอัญญตรังวาอาปจิตวานลภัตติติคู่หิสติังสังวาสังยะทาปูเรต่าปราชาภราติโกห่อติอังวาโตอนตัฏฐายาตมันเตปุชามิปจิตาปริสุทธาดุติยัมปีปุชามิกจิตาปริสุทธาตัดยัมปีปุชามิกจิตาปริสุทธาปริสุทธทญาตมันโตตัดสนาตุนมีเอวะเมตังตารยามิ